ขอนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยโกกาศลุมประกลมพระอาจารย์ทรงศิลป์เพื่อนทรรมเองทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีระญาติธรรมทุกท่านเราก็มาเราก็มาไปบัตธรรมกันเนาะในหลายวันแล้วเนาะเราก็มาสังเกตกายและใจกันคือร่างกายเรานะมีประกอบด้วยกายและใจนี่แหละ เพรานการปฏิธรรมก็ไม่ได้ปฏิบัทินไหนเป็นการตามรู้กายตามรู้ใจเนาะกายของเราเนะีเราก็ดูการเคลื่อนไหวนะใจเราก็รับรู้ไปกายเคลื่อนไหวใจรับรู้เนาะป ก, ปกติเราก็จะไม่ค่อยจะรับรู้ในการเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะแม้แต่เคลื่อนไหวเราก็กลายเป็นเคลื่อนไหวโดยความเคยชินเนาะความเคยชินก็คือเป็นการอัตโตนมัติไปนะอันนั้นก็กลายเป็นว่าเรา ไม่ได้รับรู้นะเพราะมันมันเป็นสภาวะที่มันเคยชินไปแล้วนะก็เรียกว่าเราหลงไปนะเราก็มากลับมารู้ใหม่เ อ, อ่กายเคลื่อนไหวอย่างไรรับรู้ไปนะแม้แต่กายเรานั่งเฉยๆเราก็รับรู้ไปขณะนี้กําลังนั่งเนาะอย่างที่พระเจ้าได้บอกไว้แล้วว่าอ่ายืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนก็คือกลับมารับรู้ในขณะปัจจุบันนี้แหละ ว่าเรากําลังทำอะไรอยู่เนาะในทางกายนะความเป็นพระเจ้านั้นท่านมีอัจฉริยะในการที่สอนธรรมะท่านไม่ได้สอนไกลเกินตัวเรานะไม่ได้เป็นนะสิ่งที่ว่าเป็นภายนอกที่เราจะต้องไปเรียนรู้แต่กลับมาเรียนรู้ที่กายเรานี่แหละเนาะพราะปกติเราก็จะไม่ได้กลับมาเรียนรู้กายเราเราจะคิดไปข้างนอกอยู่เรื่อยๆครั้รนี้กลับมานะกลับมารู้ขณะ น, นี้กำลังทำอะไรอยู่อ่านะนี่แหละคือ สิงพระเจ้าได้สอนเรานะกลับมารู้ว่าปัจจุบันนี้นั่นเองกําลังทําอะไรอยู่เพราะจริงๆแล้วชีวิตเราก็มีขณะนี้ขณะเดียวคือขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้หรือว่าที่นี่เดี๋ยวนี้นั่นเองเนาะนี่คือความจริงในชีวิตเราส่วนความไม่จริงคืออะไรความไม่จริงก็คืออนาคตอดีตนั่นเองนะมันก็อยู่ในแค่ความคิดเรา พรุ่งนี้เราก็ต้องไปคิดถึงพรุ่งนี้กําลังจะทําอะไรเมื่อวานนี้ทําอะไรมาแล้วกินอะไรก็ต้องไปคิดถึงเนาะอันนั้นก็คื อ, อความคิดแต่ความจริงก็คือขณะนี้แห ล, ละละก็คือสิ่งจริงๆในกายเราขณะนี้กลับมารู้ไหมขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่เนาะยืนเดินนั่งนอนรู้ไหมคู่แขนเหยียดแขนรู้ไหมนี่แหละคือความจริงในพุทธเจ้าให้กลับมารู้ความจริงไม่ได้ไปรู้ในความคิดอันนี้คือร่างกายนะ ต่อไปเรื่องใจนะเราก็เรียนรู้เรื่องใจใจเป็นอย่างไรใจก็มีความคิดเป็นปกติของเขาเนาะนี่คือความจริงของใจนะเขาก็คิดของเขาไปตามเรื่องตามรา ว, วเราเรารู้ไม่ว่าขณะนี้กำลังคิดอยู่นะเพราะฉนั้นสิ่งสําคัญก็คือเขาคิดก็ไม่เป็นไรแต่เรากลับมารู้ไม่ว่าขณะนี้กําลังคิดอยู่นี่แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กลับมารู้ในตรงนี้หรือมีความโกรธเรารู้ไหมขณะนี้กำลังโกรธอยู่นี่คือการมาศึกษาเรียนรู้ จิตใจของเราเองอย่างที่พระเจ้าได้ทรงบอกไว้แล้วว่ามีราคะก็รู้ว่ามีราคะมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะไม่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะคือกายมีอาการเช่นใดก็ให้รู้ตามอาการเช่นนั้นอันนี้ก็คือความจริงของใจนะคือกลับมารู้ความจริงนี่แหละ เพราะปกติเราก็ไม่ค่อยรู้นะว่าเราคิดไปเนี่ยก็ให้รู้ว่าเออขณะนี้กาลังคิดไปเท่านั้นเองนะท่านก็ไม่ได้บอกว่าต้องไปห้ามความคิดแต่ให้รู้ความจริงนะใจมีความโกรธรู้ไหมขณะนี้กาลังมีความโกรธขึ้นในใจเนี่ยกลับมารู้ความจริงเท่านี้นะท่านก็ไม่ได้บอกว่าเออต้องทําให้มันไม่ไม่โกรธนะนก็คือรู้ความจริงในแต่ละขณะแต่ละขณะของใจเนะพราะฉะนั้นการที่เราจเจริญสติก็กลับมารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่แหละ ครั้นี้เน่ยเราก็มาฝึกปฏิบัติกันนในการเจริญสติในครั้งนี้หลวงปู่เทียงบอกว่าวางกายคลายวางใจกลางไม่เพ่งไม่จ้องการปฏิบัติธรมก็คือเราก็ทําให้สบายๆนะไม่ไม่เก๊กไม่เก่งไม่ไปเพ่งไม่ไม่จ้องเขาวางกายคลายคลาคลายก็คือทําให้สบายๆนั่นเองวางใจกลางกก็คือไม่ไม่ไปอยากได้อยากดีนะไม่ไปติดดีติดไม่ดี ก็คือใจเป็นกลางๆใจสบายสบายนะไม่ต้อไปหวังต้องได้อะไรดีก็ไม่เป็นไรไม่ดีก็ไม่เป็นไรนี่แหละใจเป็นกลางๆไม่เพ่งไม่จ้องนั่นะก็คือเนี่ยก็รู้ไปตามความเป็นจริงนะไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องเขาไม่ได้ไปคอยที่จะรู้นานๆนะหรือไปคอยประคองตัวรู้ให้รู้นานๆนะไปคอยไปบัติแล้วนะนะ ยีสิบนาทีก็รู้ตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยเราก็ไปเพ่งไปจ้องเกินไปนะอันนี้ก็ต้องออกจากตัวเพง่งนะกลายเป็นเราก็รู้รู้ตามความเป็นจริงก็พอแล้วเนาะต่อมาท่านก็บอกว่าให้รู้เฉยเฉยนะรู้เฉยนะเฉยนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเนาะความรู้เฉยเฉยนี่ก็มีสองระดับนะระดับแรกก็คือรู้เฉยในการที่เราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆก็คือไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะ เราไม่ต้ไปคิดว่าเออไปบัติวิธีนี้ถูกไหมนะมีการอสอนไว้ในพระไตรปิฎกไหมนะหรือครูบาอาจารย์ต่างๆทําทไมไม่สอนกันอะไรเงี้ยจะมาอันนี้ก็คือเราไม่ได้รู้เฉยๆนะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดไอ้ความคิดนั้นออกไปนะแต่ถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วมันก็มีอยู่นะในพระไตรปิฎกก็มีอยู่นะในสติปัฏฐาน4ี่คู้แขนเหยียดแขนอ่านะแล้วก็เดินนะเดินรู้ว่าเดินนี่แหละคือการเดินวงกลม คู่แขนเหดแขนก็ให้รู้บทย่อยก็คือเราสร้างอย่างว่าอันนี้ก็เป็นการคูแขนเหยียดแขนน้อง น, นี่ก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วน้อง น, นั้นก็มีตามรู้ในนอกรูปแบบต่างๆมากมายนะอันนี้ก็คือตามพระไตรปิฎกเลยนะอันนี้ก็คือตัดความคิดไปว่ามันถูกหรือไม่ถูกนะหลังนั้นนะเราก็แค่รู้เฉยๆก็พอแล้วก็อย่างที่ว่านะก็คือเมื่อเรารู้เราก็ไม่ต้องคิดมันเป็นลักษณะของการสัมผัสรู้หรือว่ารู้อยู่กับปัจจุบันธรรม ก็คือรู้ในการกายเคลื่อนไหวใจรับรู้นั่นเองนะเมื่อกายเคลื่อนไหวใจรับรู้มันจึงไม่ต้องอาศัยตัวคิดแต่เป็นการรู้แล้วก็เป็นการรู้เฉยๆเท่านั้นนะมาจึงตัดความคิดไปก็เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้กระทบก็รู้เท่า น, นั้นเองนะอาศัยตัวรู้นั่นแหละเท่านั้นเองไม่ได้ไปอาศัยความคิดอะไรเลยนะมันกับตอนนี้เรานั่งเราก็ไม่ต้องมาคิดว่าเรานั่งใช่ไหมอ่าเหมือนเรายกมือแล้วก็ไม่ต้องมาคิดว่ามั น, มมนกยกมือเพราะว่ามันก็อาศัยแค่การรู้เท่านั้นเองนะแต่ถ้า เป็นความคิดเป็นในอดีตหรืออนาคตนั่นแหละก็คือความคิดไม่ใช่ตัวรู้นะเพราะเมื่มันรู้เมื่อมันรู้มันก็ไม่ต้องคิดนะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่กับปัจจุบันนี่จึงไม่ไม่ต้องอาศัยความคิด <c oughs> ไม่ต้องมานั่งคิดว่านั่งนอหนะหรือกําลังนั่งขณะนี้กําลังนั่งอันนั้นเราไม่ต้งคิดเพราะว่ามันกําลังนั่ง อ, อยู่แล้วนะหรือกําลังยกมือกําลังยกมือต่างๆอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นคิดเช่นนั้นเพราะว่ามันก็กําลังยกมืออยู่แล้วนะก็เป็นอาศัย การที่เรารู้ไปตามความจริงความจริงก็คือขณะปัจจุบันเนี่ยอากายเคลื่อนไหวเรารู้ไหมถ้ามาก็รู้ปุ๊บมันก็ไม่ได้องคิดแล้วนี่แหละการนี้เป็นการรู้เฉยๆนะส่วนการรู้เฉยๆอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นการรู้ในสภาวธรรมนะเช่นเรานะมีความโกรธเราก็รู้ว่าเรามีความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เฉยๆก็พอนะไม่ต้องไปผักใส่เขาไม่ต้องไปอยู่กับเขานะ มันเป็นการที่เรารู้ไปตามสภาวธรรมตามความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ได้ไปให้ค่า <c oughs> ก็คือเรารู้เฉยๆนั่นเองนะไม่ไปผักใส่ไม่ไปติดไม่ไปยึดในตัวสภาวธรรมต่างๆเช่นความโลภความโกรธความหลงเมื่อเกิดขึ้นมาก็รู้เฉยๆไปนะอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าหลวงพ่ําำเขียงบอกว่าให้เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะนะครั้งหนึ่งก็มีนักปฏิบัติคนนึงก็มารายงานหลวงพ่อบอกว่า วันนี้หนูเครียดจังเลยหลวงพ่อบอกว่าให้พูดใหม่ก็เลยบอกว่าวันนี้หนูเห็นความเครียดหลวงพ่อบอกว่าพูดได้ถูกต้องแล้วนะก็คือเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนั่นเองนะก็คือการที่รู้เฉยๆก็คือเป็นผู้ดูเราไม่เป็นผู้เป็นนะเราเป็นผู้เห็นไม่เป็นผู้เป็นนะอันนี้ก็เป็นการที่เรียกว่าเราสามารถที่จะเห็นอารมณ์ต่างๆได้คืออารมณ์ต่างๆเราไม่ใช้ปฏิบัติแล้วมันจะหมดไปความโลภความโกรธความหลงมันก็จะไม่ได้หมดไป แต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถรู้เฉยได้ไหมเป็นผู้ดูได้ไหมเนาะตรงเนี้ยเป็นประเด็นที่สําคัญนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเทียนก็บอกว่ารู้ซื่อๆนั่นแหละเนาะรู้ซื่อๆก็คืออะไรเกิดขึ้นเราก็รู้สื่อๆไปนะรู้ไปเท่านั้นเองนะไม่ต้องไปหวังอะไรทั้งทั้งนั้นนะเพียงแต่เรารู้ไปมันก็เราก็จะเข้าใจนะก็รู้ว่าเฝ้าดูก็รู้ทำเนาะต่อมานะก็ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเทียนนี่ยบอกว่าอ่าไม่ห้ามความคิดนะเราก็ คือความคิดอย่างที่ว่านะคือจิตหรือสมองมันก็มีหน้าที่คิดอยู่แล้วนะมันคิดตลอดเวลานะั่นแหละใช่ไหมแม้แต่เรานอนหลับก็ยังคิดเลยนะมันคิดตลอดเวลาเรานอนมันก็เป็นความฝันนะความฝันแต่ว่าความฝันนั้นบางทีเราก็จําได้จําไม่ได้ทั้งนั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คิดตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นความคิดนี่แหละเป็นสิ่งที่ว่าเราเราไม่ห้ามเขานะหลวงพ่อเทวบอกว่าไม่ห้ามแต่ว่าท่านบอกว่ายิ่งคิดยิ่งรู้นะ ยิ่งคิดยิงรู้ก็คือถ้าเราคิดไปสิบครั้งนะถ้าเรารู้ความคิดถึงแปดเ้าครั้งอันนี้เราใช้ได้นะก็คือสติเราเนี่ยเริ่มโตแล้วคือจิตมาเริ่มเริ่มตื่นการเราเห็นความคิดบ่อยๆในจิตจะตื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราเมื่อคิดแล้วเราก็ไม่เห็นความคิดแต่ว่าเราจะไหลเข้าไปในความคิดเลยก็คือคิดเรื่องนี้เสร็จไปคิดเรื่องนั้นต่อมันก็คิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็วนเข้าไปในความคิดก็คือเราเข้าไปในความคิดนะแต่เราไม่ได้เห็นความคิดนะ แต่วิธีการลวงพระเถร์ก็คือให้เราเห็นความคิดนะเพราะเราคิดปุ๊บบางทีเราคิดเรื่องนึงปุ๊บเราก็เห็นเออคิดแล้วนะคิดแล้วเออคิดถึงบ้านเราเห็นแล้วนะมันดับเลยนะมันการเห็นความคิดกับเราเข้าไปในความคิดมันต่างกันเพราะเลยนันความคิดมันก็ Rabbi, นจะดับนะอย่างที่มันเป็นผู้ดูเอ่านะพอเราดูปุ๊บเออตอนนี้โกแลนดะ์เป็นผู้ดูมันก็ดับไปเพราะเมื่อเราเห็นเออตอนนี้เราคิดแล้วนะมันก็ดับไปก็เพราะตรงนี้เราเราสามารถเห็นได้นะเพราะนั้นหลงพระเถร์ก็บอกว่าเออเนาะ ไม่ห้ามความคิดนั่นเองนะแต่ถ้าเราคิดสิครั้งเรารู้แค่หนึ่งครั้งแสดงว่าหลงน้อง9้าครั้งนะอันนี้ก็แสดงว่าเราเนี่ยยังสติเรายงังน้อยไปนิดหนึง่งเพราะฉนั้นคือที่หนึ่บอกว่ายิ่งคิดจริงรู้ไงนะยิ่งคิดก็คือเรายิ่งคิดแล้วนะเราก็ยิ่งรู้เพราะว่าเราไม่ได้ไปห้ามความคิดแต่เราทําจิตให้สงบความคิดก็ไม่ได้ทํางานแล้วก็อาจจะไม่เห็นในตัวนี้นะเราก็สังเกต ด, ดูเออมีความคิดไม่เป็นไรนะความคิดเกิดแล้วเราก็รู้ทันนี่เราได้คะแนนแล้วนะแล้วเราก็กลับมารู้สึกตัวที่กายครั้งงนนึะ เราเห็นเออความคิดมันก็ดับไปเปลี่ยนจากหลงก็คือความคิดมาเป็นรู้แทนกลับมาเออคิดปุ๊บนี่มันเป็นตัวหลงนะพอรู้ปั๊บมันก็ดับไปกลายเป็นตัวรู้นะอันนี้นะมันเป็นสิ่งที่ว่าง่ายๆเลยนะแต่ถ้าเมื่อก่อนเราไม่รู้กายนะมีความคิดไปแล้วก็ไม่รู้ก็คิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆนะใจมันก็ไม่ได้ตื่นรู้ขึ้นมาเพรา ะ, ะนั้นวิธีหลงมาเพื่อนก็คือให้เราให้จิตเราตื่นรู้นั่นเองก็คือไปเขย่าท่านรู้นะเขย่าท่ารู้ตอนแรกก็รู้กายก่อนนะ อยู่นิ่งๆแล้ก็ไม่ได้รับรู้หรอกมันกลายเป็นความเคยชินเป็นอัตโนมตัติไปนั่นแหละคือความหลงตอนหลังเราก็เคลื่อนไหวใจรับรู้มันก็กลายเป็นว่าเรารับรู้ทางกายก็คือใอ้จิตตื่นรู้ในทางกายก่อนนะพอจิตตื่นรู้ทางกายปุ๊บมีความคิดปุ๊บจิตก็เห็นความคิดนี่แหละเป็นการตื่นรู้ทางใจนะแล้วก็ขยา่าถ้ารู้ไปเรื่อยๆต่อไปก็ก็จะชนานาญชํานาญในการที่เห็นความคิดแล้วก็เห็นอารมณ์ต่างๆได้เนาะความคิดเมื่อก่อนเราเคยคิดไป5เรื่องเราเคยรู้นะ แต่ว่าจิตตื่นรู้แล้วคิดไปเรื่องเดี๋ยวก็รู้บางทีคิดไปครึ่งเรื่องก็รู้อันนี้เขาเรียกว่าจิตเราทํางานด้วยความตื่นแล้วนะตรงนี้มันก็จะเห็นความโกรธได้เมื่อก่อนใครก็มาด่าเราเราก็จะโกรธไวโกรธไวมากนะด่าปุ๊บเราโกรธเลยสมมติว่าความโกรธเป็นเลข5้านะพอโกรธปุ๊บพอด่าปุ๊บเราโกรธนี่เป็นเลข5้าเลยนะแต่ก่อนจะถึงเลข5้าเราต้องเลขผ่านเลข1 2ึ่งสองสามี่ก่อน บางทีมันก็คือก so <IES 2> ่อนจะถึงความโกรธต้องมีความหงุดหงิดความขัดเคืองความไม่พอใจแต่เมื่อก่อนเราไม่เห็นหรอกใช่ไหมเราก็ไม่เห็นเรากดกดเร็วกดไวนะแต่ว่าเรามีสติแล้วเราก็เห็นเออขณะนี้คนมาด่าเราปุ๊บเราความหงุดหงิดเกิดขึ้นมานะเราจะเริ่มมองเห็นความหงุดหงิดแล้วความไม่พอใจเกิดขึ้นมาเราเห็นความไม่พอใจแล้วความขัดเคืองเกิดมาเราเห็นความขัดเคืองแล้ว นะจนทั้งถึงความโกรธเราก็เห็นนะคราวนี้ถ้าเราสติเราไวนี่พอจิตงุนหงิดขึ้นมาปุ๊บเราเริ่มรู้เออตอนนี้งุนหงิดงแล้วนะเนี่ยพอเราเห็นความหงุนหงิดนะ้มันดับไปเลยเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เข้าไปในความหงุนหงิดแต่ว่าเราเห็นนะมันก็ดับไปนะตรงนี้มันมันเป็นความทีเรียกว่าเราเย่ะจากอารมณ์ต่างๆได้เร็วเราได้ง่ายเพราะว่าเราเราเห็นเราเห็นอารมณ์ต่างๆได้ก็เกิดจากการเราเห็นความคิดนั่นเองนะบ้านหลวงพ่อเทศถึงบอกว่าไม่ห้ามความคิดนะนะเป็นสิ่งที่ว่าเรา สามารถสังเกตได้นะท่านึงว่าแค่เฝ้าดูก็รู้ทำเนาะต่อมาลงพ่อเทียนก็บอกอีกว่าใหร้รู้ต่อเนื่องลูกโซ่นะรู้ต่อเนื่องไปลูกโซ่อย่างไรนะก็คืออย่างที่อาจารย์ไปสารก็เคยไปอยู่ลงพ่อเทียนใหม่ก็ถามหลวงพ่เทียนว่าจะไปเวลาไหนบ้างครับลงพ่อเทียนบอกว่าให้ไปวัดตั้งตื่นนอนหนึ่งเข้านอนเลยเนาะ ตื่นนอนเข้านอนก็คือให้รู้ต่อเนื่องกันไปทั้งวันนะทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบมาพอเราตื่นนอนปุ๊บเราก็รู้ได้ไหมนะคราวนี้เราตื่นนอนปุ๊บนะเราก็อย่าเพิ่งลุกขึ้นมาเราก็สังเกตว่าเรารู้สึกตัวไหมนะพอเรารู้สึกตัวขณะนี้รู้สึกตัวไหมปุ๊บมาเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็ลุกขึ้นมานะไปล้างหน้าแปรงฟันมันก็จะตามรู้ไปเรื่อยๆมาพับผ้าห่มนะใส่เสื้อผ้ามันก็ตามรู้ไปเรื่อยๆนี่แหละมันก็ค่อยๆพัฒนาไปต่อยอดไปนะ แต่ว่าเราไม่ต้องว่ามันต้องรู้ตลอดเวลานะทั้งวันมันรู้ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็คล้ายๆว่าเราก็รู้มั่งเผลอมั่งนะมันก็รู้นื้รู้ตัวรู้มั่งเผลอมั่งอันนี้ก็ถูกต้องแล้วมันก็คล้ายๆเราก็พัฒนาไปตามที่เขาเป็นไปจริงๆนะไม่ต้องคอยว่าเออต้องรู้ตลอดเวลากันนั้นก็กลายไปเป็นเพ่งอีกนะคราวนี้ถ้าเรารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าทักษะอ่าทักษะในการที่เรียกว่าทําให้จิตนะมีอ่ามีมีความชํานาญในการรู้มากขึ้นนะก็คือเปลี่ยนลงเป็นรู้บ่อยๆนะ มันจะเป็นลักษณะที่ว่าเราเรามีน้ําน้าเน่าอยู่นะเราไม่ต้องไปเทน้ําเน่าออกหลอกเราใส่น้ําดีไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปทียเล็กเทียน้อยนะในสูตน้าเน่าก็ค่อยๆน้อยไปเองน้าเน่าก็เหมือนกับตัวหลงนั่นแหละเราไม่ต้องบอกว่าเออมันต้องไม่หลงนะต้องเลิกหลงต้องหยุดหลงไม่ไม่จำเป็นนะเราก็ให้เขารู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆความหลงก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงนะในที่สุดเขาก็ กลายเป็นตัวรู้มากขึ้นนะเราก็สามารถสังเกตกายและใจได้ชัดเจนลกลายเป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นไปเนาะตรงนี้ความทุกข์เราก็จะค่อยๆลดลงลดลงนะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้โดยตัวเราเองเนาะต่อมาหลวงป่อเท่งก็บอกว่าอย่าอยู่นิ่งนะก็คือการที่เราจะรู้ตอนเริ่มลูกโซ่นั้นนะ่ะในขั้นแรกเราก็อย่าเพิ่งอยู่นิ่งท่านก็ให้มีรูปแบบให้เรา ไปบาดกันก็คือการสร้าง14จังหวะอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการที่จะให้เราไม่อยู่นิ่งนะเพราะมัน้นจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ในชิบจํามันเราได้อยู่แล้วนะเช่นเราอาจจะแปรงฟันนะเราก็คือไม่อยู่นิ่งนั่นเองนะอ่าคราวนี้แปรงสัก5นาทีก็หยุดแล้วใช่ไหมต่อมาเราก็อาจจะไปกวาดพื้นนะกวาดสัก10นาทีก็หยุดแล้วนะหรืออ่าไปอ่าไปซักผ้าซักสัก อ่ายี่สิบนาทีก็หยุดแล้วนะก็คือมันไม่ต่อเนื่องนั่นเองก็มันก็หยุดแล้วบางทีก็ไม่รู้จะไปทําอะไรต่อนะครา้นี้หรวงพ่อเทก็เลยคิดวิธีให้เราทําต่อเนื่องกันได้บ่อยๆเป็นชั่วโมงหรือทําทั้งวันก็ได้ก็14จังหวะนี่แหละทาไปมันก็ต่อเนื่องกันเรื่อยๆทั้งวันให้เรามีตัวลุกนะให้ต่อเนื้อไปลูกโซ่กันก็มีวิธีการวิธีการนี่เราก็ไม่ไปคิดว่าเออมันต้องทําอย่างไรต่อกวาดบ้านเสร็จแล้วจะไปทำอะไรต่อมันเข้าไปในความคิดอีกแล้วก็ปปปฏิิิบบบัตตตไไามมรรูแก็่้อองคดะะเย แล้วก็เสร็จแล้วก็เดินตรงคมไปไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็อาศัยตัวรูไปเรื่อยๆมันก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนาะคราวนี้พอนอกนี้เราก็นอกรูปแบบเราก็ทําไปเรื่อยๆแต่เรากิ จ, กจวรรัตรประจําวันก็ทำไปเรื่อยๆอาบน้ําแปรงฟันซักผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ให้รู้ไปนะอันนี้ก็เป็นกิจวรรัตรประจําวันที่เราสามารถที่จะนํามันใช้ได้จริง ๆ, ๆ <P> เพราะว่าอย่างที่ว่าแล้วว่าพระเจ้าให้ให้รู้ในอิบทใหญ่ะก็ยืนเดินนั่งนอนแล้วอิบทย่อยก็คือ หเหลยวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังดื่มกินพูดคิดคู่แขนเหยียดแขนก้มเงยทรงจีวรสังฆาติอุจฉะปัสสวะต่างๆแล้วเนี่ยก็คือให้เรารู้ในชีวิตประจําวันเองนะถ้าไม่ได้บอกว่ารู้สิ่งเหล่านี้เพื่อไปปฏิบัติวัดหรือว่าที่ปฏิบัติธรรมแต่ว่าหมายความว่าให้อยู่ในชีวิตประจำวันที่เราอยู่กับตรงนี้นั่นแหละได้ไหมใช่ไหคือเปลี่ยนจากหลงเป็นรู้นั่นเองนะถ้าไม่ได้บอกให้ทําอะไร แ, บบแปลกๆก็คือปกติเคยทําอย่างไรก็ทําเช่นนั้นนั่นแหละ เพราะนี่ก็คือเห็นไหมว่านี่ก็คือนอกรูปแบบที่เราทํามันอยู่เนาะมันก็ไม่ได้ผิดตรงไหนเลยนะเพราะเราทําตรงนี้ด้านมันจะกลายเป็นว่าชีวิประจ้าบนเรากลายเป็นว่าเราปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะเพราะไม่ไม่ต้องอะไรมากแค่เราเดินจงกรมเป็นนะเราก็ปฏิบัติธรรมได้ต้องเยอะแยะเราก็เดินไปนู่นไปนี่ไปที่ทํางานเรานะทั้งวันเราเดินอยู่แล้วนะเราตรงนี้เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวใช่ไห ม, <c oughs> มนะตอบมานะหลวงพ่เทียงก็บอกว่า อยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีเพราะว่าเราอย่างไงเรามีความอยากอยู่นะเราเราจะมีตัณหานตัณหาเพราะว่าเราเรามาปฏิบัติธรรมนี่ส่วนนึงก็คือเป็นตัณหานั่นแหละใช่ไหมแต่ว่าเป็นตัณหาในทางที่ดีนะไม่ใช่ว่าตัณหาไม่ดีคราวนี้ถ้าตัณหานั่นเราก็คือเราอยากจะได้อยากมีอยากเป็นใช่ไหมปฏิบัติธรรมแล้วก็อยากจะได้เออได้ผลเร็ว เรามีเวลาน้อยนะมีเวลาเจ็ดวันห้าวันมาถึงโอ้เร่งความเพียรเต็มที่แล้วนะเร่งความเพียรเต็มที่เลยพอไปบวชสองวันโมงทําไมมันยังคิดอยู่เยอะแยะเลยอยู่บ้านมันไม่ได้คิดเยอะขนาดนี้อ่ะพอมาไปบททัวรทำที่วัดทําไมมันคิดเยอะอันนี้จริงๆก็คือเราเริ่มเห็นความคิดแล้วนะจริงจริงเราก็คิดเยอะอย่างอยนั้นอยู่แล้วแนะ่ะแต่เราไม่เห็นนะครั้นี้พอเราเห็นความคิดมันเยอะโอ้เราก็เลยว่ามันมันไม่ก้าวหน้าแล้วนะ บ่ายๆต้องสองต้องวันแล้วเนี่ยมันยังเฟุ้งซ่านอยู่หลังนั้นเราก็เลยไปเริ่มเพ่งแล้วเริ่มเพ่งเริ่มประคองตัวรู้ไปเรื่อยๆนะอันนี้มันก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยไปไปเพ่งเอาเนาะอันนี้ก็เพราะว่าเราอยากได้นั่นเองเพราะนั้นหลวงพ่อเทงบอกว่าอย่าอยากได้ก็คือให้เราทําเนี่ยทําได้แต่ว่าเราทําด้วยฉันทะก็พอแล้วนะก็คือจริงๆแล้วใครๆก็อยากได้นั่นแหละแต่ถ้าเราทําด้วยฉันทะก็คือเราพอใจในการทํา อทำได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราอยากได้นี่เพราะเราทำแล้วเราไม่ได้เราก็มีความทุกข์นะเออมันทำไมไ ม, ไม่ได้ก็มีความทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็คือความทุกข์แต่เมื่อเราเราไปบัตแล้วมันได้ผลดีนะเออดีมากเลยวันนี้เนี่ยมีสติทั้งวันมีความรู้ตัวทั้งวันปรากฏว่าพรุ่งนี้มันก็ความรู้ตัวหายไปแล้วนะ ก็มีความทุกขนะ์อกกกีกเพราะมันก็ไม่เที่ยงนะมันก็ตกในปัตยรักนั่นแหละเพราะนั้นไม่ได้ก็ทุกข์มันได้ก็ทุกข์เพราะว่ามันก็ไม่เที่ยงนะเราก็มีแต่ความทุกข์เนี่ยเพรอเราอยากได้นะแต่เราไปาปฏิบัติด้วยฉันท่าคือเราพอใจที่จะปฏิบัติ <c oughs> ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรปฏิบัติตรงนี้เราก็ตรงเนี้ยปฏิบัติเราก็ได้แล้วนะก็คือได้ปฏิบัติธรรมนะแล้วมันก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยใช่ไหมเราก็สามารถสังเกตได้ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกายและใจเราจำเมื่อก่อนเราคิดเยอะ มันก็มีความทุกข์นะเพราะอย่างที่ว่าแล้วนะก็คือความทุกข์เกิดจากความคิดมันก็มีบางทีเราก็เข้าไปในอดีตคิดเรื่องเก่าๆคนเขามดาเรามาว่าเรานมาทำร้ายเรา <c oughs> มาประจานเราเราก็มีความทุกข์จากความคิดนั่นแหละแต่เราสามารถรู้ทันเออขณะนี้กำลังคิดนะมันหยุดดับปุ๊บเห็นไหมจากเมื่อก่อนเรามีความทุกข์ความคิดมันก็ดับไปเลยนะนี่เห็นไหมประโยชน์มันได้ตรงนี้แล้วนะมันไม่ใช่ว่าต้องได้อะไรแตม่มันดับทุกข์ได้ไนงะ ดับทุกในขณะแต่ละขณะที่เราปฏิบัติอยู่แล้วนะมันไม่ต้องไปได้อะไรหรอกใช่ไหมเพราะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะตั้งใจปฏิบัติขยนันปฏิบัติไม่เป็นไรไ ม, ไ, ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราปฏิบัติเพื่อที่ว่าเราจะให้เราเข้าใจตัวเราเองมากกว่านะคการนี้การเข้าใจตัวเราเองเนี่ยมันมีประโยชน์มากเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจตัวเราเองแล้วนะเราก็จะไม่รู้ความผิดพลาดในตัวเราเองอืมคนที่รู้ตัวเองเนี่ยเปยน็นคนที่โชคดีนะ เราเป็นคนโกรธเรารู้ไม่ว่าเราเป็นคนขี้โกรธนะอ่าเราเป็นคนอ่าขี้น้อยใจรู้ไม่ว่าเราเป็นคนขี้น้อยใจนะเราเป็นคนขี้กลัวรู้ไม่ว่าเราเป็นคนขี้กลัวเราเป็นคนขี้ช้าเรารู้ไม่ว่าเป็นคนขี้ฉ้าเนี่ยตัวนี้ถ้าเราไปวัดธรรมเราจะเริ่มเห็นในตรงนี้แล้วเพราะเมื่อก่อนเราจะสังเกตไม่ได้ว่าเออเราเป็นคนขี้โกรธนะแต่ตอนหลังเราจะเริ่มเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราเห็นเออเนี่ยนะแสดงเราเป็นคนขี้โกรธอ่เราเป็นคนขี้ช้าแล้วก็ไม่รู้นะ แต่เราจะรู้สึกมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆไม่อยากให้ใครได้ดีนั่นแหละเราเป็นคนขี้ฉาแล้วตอนหลังเราเริ่มเห็นความฉาแั้ละ่ะความอิจฉามันก็น้อยลงลดลงเพราะว่าเพราะเราเราเห็นเขาไงถูกไหมก็คือกลับมารู้รู้สิ่งที่ไม่ดีของเรานั่นเองเพราะเรารู้สิ่งที่ไม่ดีแล้วมันจะค่อยๆลดน้อยลงลดน้อยลงแต่ถ้าเราไม่รู้เราไม่ดีนัมันจะมันจะไม่หายไปะมันก็มันก็คนเมานั่นแหละ อไม่ไม่เมาไม่เมานะอันนั้นนะ่ะเป็นคนเมาแต่ว่าเริ่มรู้ว่าเมามันก็เริ่มที่จะหายเมาแล้วนะหรือคนที่เป็นบ้าก็เหมือนกันนะคนที่เป็นบ้าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นบ้าหรอกใช่ไหมแปลว่าเมื่อไรที่เขารู้ว่าเขาเริ่มบ้าแล้วแสดงว่าความบ้าเนี่ยเขากล้จะหายแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่เรารู้ว่าเราเป็นคนโกรธนั่นแหละเป็นคนโกรธเกล็กนั่นแหละความโกรธมันจะเริ่มหายแล้วนะเนี่ยกลับมารู้ความไม่ดีของตัวเองนะมันไม่ได้ไปรู้ที่ไหนเลยนะเพราะนั้นการบัตรธรรมทั้งหมดไม่ได้ไปไิบัติที่ไหน กลับมาศึกษากายและใจของเรานี่เท่านั้นเองนะกายและใจเป็นสิ่งที่ว่าหรือเรียกว่าเป็นรูปเป็นนามนะสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันไม่ตัวไม่ตนของเราอย่างที่เราเคยสอนบทตอนที่ตอนเช้าธรรมบัช้าน ะ, ะก็คื อ, อขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นนักตาสัพเพธรรมมานักตาตินะสัพเพสังขาราอริจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรมมานักตาติ เป็นเรื่องที่ว่าเขามีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาไม่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้คือการปฏิบธรทั้งหมดก็กลับมาเห็นในตรงนี้เท่านั้นเองว่าเขาบังคับบัญชาไม่ได้ใช่ไหมครั้งนี้เราเราสามารถที่จะเห็นตรงนี้ได้ใช่ไหมว่าปปฏิบัติธรรมแล้วบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีนี่แหละแสดงว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้เขาจึงไม่เที่ยงอเขาจึงอยู่ในบังคับบัญชาเราไม่ได้นะเราก็จะได้เกิดการปล่อยกันวาง การไม่ยึดติดในขันห้านี่แหละมันจะค่อยๆคลายความยึดติดนะพอเราค่อยๆคลายความยึดติดในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วนะมันก็จะเริ่มเกิดการปล่อยการวางที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นที่เราติดนะตัวเรามันมีตัวเราพุทมันก็มีของเรานะมีลูกมีเมียของเรามีทรัพย์สมบัติของเรามีอะไรของเราเยอะแยะเลยใช่ไหมแล้วมันก็มีเราโกรธเรารักเราชังใช่ไมีเมียตัวเราทั้งนั้นนะคราวนี้พอเราไปบัตรธรรมเราก็จะเห็นว่ามันมันเป็นแค่สมมุติเองนะ เวลาเราเดินแล้วก็รู้สึกว <ad> ่าเออมันเดินไปเรื่อยๆมันก <medi atamente> ็คือกายมันเดินนะกายมันเดินแล้วก็สังเกตว่ามันก็เป็นแค่กายเดินหรือรูปมันเดินอ่ะเดี๋ยวเราสังเกตการเดินเราดูการเดินเอ้าเห็นความคิดแวบไปนะแล้วเราก็เห็นอ๋อตรงนี้นะนี่ความคิดมันทํางานเองนะมันแวบไปเราก็เห็นความคิดนี่มันก็เห็นนามนะก็คือเห็นรูปเห็นนามมันต่างคนต่างทํางานโดยเราเป็นแค่เป็นผู้ดูเท่านั้นเองดูกายมันเดินดูรูปมันเดิน ดูใจมันคิดนะก็เห็นตรงเนี้ยใจมันคิดก็เป็นนามก็เป็นเราก็เป็นผู้ดูว่าเออมันทํางานมันเองนะเี่ยต่างคนต่างทํางานเราก็เป็นผู้รู้ผู้ดูไปนะเห็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็สังเกตได้ว่าออความคิดนะมันก็เกิดมันเองนะเราก็ไม่อยากมัคก็คิดเขาก็คิดถึงเขาเองนะนะบางทีแค่ห้าทีคิดไมด่ต้องกี่กี่เรื่องใช่ไหมเรายังไม่รู้เลยว่านาทีข้างหน้าเขาจะคิดอะไรนะตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราคิดแน่อนอนนะเราก็เห็นเออจิตใจก็ทํางานเองนะอันนั ความโกรธก็ทํางานเองความรักก็ทํางานเองทั้งนั้นตรงนี้มันจะค่อยๆสังเกตได้อยู่บ่อยๆว่าเออมันไม่ใช่ของเรานะถ้าความโกรธเป็นงเราเขา ก, ก็ต้องอยู่กับเราตลอดกาลนานเห็น ไ, ไหมแต่จริงๆเราเข้ามาแล้วก็ไปนะมาแล้วก็ไปเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆเห็นว่าสภาวะทุกอย่างเข้ามาแล้วก็ไปเมื่อเข้ามาแล้วก็ไปเขาจึงไม่เที่ยงเขาจึงไม่ใช่ตัวช่วยใช้ตนที่เราจะไปบงังคับบัญชาเขาได้ <laughs> จิตก็ค่อยๆเข joy, ้าใจทำมาไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆปล่อยค่อยๆวางเห็นสภาวัตทุกอย่างเป็นแค่รูปแค่นามจิตก็เลยคลายความยึดมั่นถือมั่นในตรงนั้นนะการที่จิตคลายความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละจะทําให้ความทุกข์น้อยลงเพราะว่าความยึดติดต่างๆเมื่อน้อยลงแล้วความทุกข์ก็จะน้อยลงนะเพราะนั้นเมื่อเรารักใครเราก็จะทุกข์เพราะคนนั้นเรายึดมั่นใครเราก็จะทุกข์เพราะคนนั้นเพราะนั้นเมื่อเราไม่ยึดมั่นไม่รักใครนั่นแหละความทุกข์เราก็จะหมดไปน้อยไปเนาะ เนี่ยเราก็ขอฝากลุกท่านก็นําไปอาเจริญภาวนาแล้วก็นําไปต่อยอดทั้งที่ที่วัดแล้วก็ที่บ้านต่อไปนะก็ในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบาลมีคุณพระ ต, ตรัสรัยน้อมนําลุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพุทธุกุฎาโดุพันทุกท่านเทอญ